ห0สิบห้าก e s กนารปฏิเสธสองอกสหวนวงนี้แพงไหมคะกเซซึร์มสนคลิส ก็เซซเก้ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยูโรสรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะกคุณเสร็จแล้วใช่ไหม o l e ล sa juba v a l m ว s ลิมิสโอเล็ตซายุบ้าไม่ยังไม่เสร็จค่ะเฮ้ยไวกลิมิเต้อีไวก i ิมิเต้แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะวฮโวคุณอยากได้ซุเพิ่มไหมค โซเวลุปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะเอไม่ต้องห้าร้องกันเออไม่ต้องหรอกันแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะอกาเวลยืดหยุ่นติสต์อกาเวลยืดหยุ่นติสต์คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะเฮล็อตเซุปกวซีน เอซีไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียวเฮอลเลสเอซิเมสกูตเฮ้อลเลสเอซิเมสกูตต่ดิั้จนยอะแล้วคุณจะขับรถกับบ้านพุ่งนี้ใช่ไหมคะ ส ÜDATSA home มก็อยู่สว home ม o ก็อยู่ไม่ค่ะจะไปตอนเสา i ์อาทิต l ์เฮ้ยฮัลเลสนั่นแต่ละว่ l เหตุตุสเอลเฮ้ยฮัลเลสนั่นแต่ละว่าเหตุตุสเอล a ต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะมาก a าตุเลนิปะผีหอบไปวัลตากาส a มากมตต ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะกัสซูติตรอนิโอปาไตสกั s ฟานุตกไม่ใช่ค่ะลูกด hey, hey, ิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีแต่เธอมีแฟนแล้วนะ